เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะลงมือทำยิ่งเราปฏิบัติแรงเราก็จะค่อยมากขึ้นมากขึ้นกาลังจรวดมันจะออกจากโลกได้มื่อใช้แรงมีกาลังมากๆหลุดออกไปได้จิตจะต้องมีพลังมากในการที่จะถอนตัวออกจากสังสารวัตรได้แต่ก่อนเขาไม่ค่อยสอนกันนะ แต่ก่อนสอนคาวาเนะี่ยสอนทำทานถือศีลอย่างเก่งก็นั่งสมาธิเองคารนะถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษของการมีชีวิตยอยู่ทุกวันทุกวันนี้มีแต่ทุกข์อะไรเงี้ยมันก็อยากพ้นเหมือนกันถ้าเราบอกทางให้ร้อยคนนะจะหลุดไปได้สักครึ่งหนึ่งเี้ย ท้าไม่บอกเลยก็ไปไม่ได้สักคนหลวงพ่อถึงสอนพวกเรามันคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนสอนกับพระแต่เรียงหลวงพ่อภาวนาจริงจังเข้าหาครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้เลยท่านไม่ได้มาสอนทำทานถือศีล น, นั่งสมาธิแต่สอนเรื่องเจริญปัญญาเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องอลไร ก็นึกดูคารานก็ทําได้นะคารวะสมัยพุทธกาลทำไมเขาทําได้คารวะยุคนิมจะโง่ปานนั้นชัวร์ทําไม่ได้เลยร้อยคนได้ฟังน่าจะได้สักครึ่งกว่ า, วาถ้าได้ฟังเกินครึ่งนี่จะทําได้ถ้าสนใจจะทํานะคนไม่สนใจทําเราไปเทศร้อยคนมันก็ไม่ฟังะ ฟังคนเดียวสองคนเราก็ไม่ค่อยทำคือถ้าคนสนใจนะตั้งใจฟังลงมือทำนะน่าจะได้เกินครึ่งหลวงพ่อสอนละเอียดมากคนจะทำได้มันไม่เหลือวิสัยหรอกที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้อาศัยการฟังนะแล้วก็ใจเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธากับครูบาอาจารย์นะ ต้องฉลาดกว่านั้นบางคนศรัทธาพระเป็นโอ่งฉะนั้นโง่มากเลยคนรศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาต่อพระธรรมเป็นหลักไว้คําว่าพระสงฆ์พระสงฆ์นะที่เราพูดกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระทั่วๆไปพระทั่วๆไปนี่ว่าพิกุพิกสุพระสงฆ์นั้นเฉพาะพระอริยสาวก นในยุคนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นพรรยสาวกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับรองให้แล้วเชื่ออะไรไม่ได้หรอกแต่พระพุทธพระธรรมเนะเราแน่นแฟ้นตรงนี้ไหมเราพอนาไปนะวันหนึ่งใจเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาจริงๆเราจะรู้ว่าใครเป็นพระสงฆ์ถ้าใจเราเป็นบุตุชนเราก็รู้อะไรไม่ได้จริงหรอกจะรู้ว่าใครได้ธรรมะอะไรไม่ได้หรอกได้แต่เด า, เาได้แต่ลือกัน ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะเราคิดว่าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละท่านก็มีกิเลสเหมือนเรานะมีรูปมีเมีย ม, ม, มีอะไรเหมือนเราเยี้งเงี้ยทําไมท่านดิ้นหล่นจนหลุดออกไปได้ท่านดิ้นหล่นไปด้เส้นทางไหนทําไมท่านมีชื่อเสียงเกียที่คุณมาตั้งหลายพันปีแล้วคนอื่นไม่เห็นมีใครมีชื่อเสียงแบบนี้นะ เราลองฟังดูว่าท่านสอนอะไรแล้วก็ลงมือทำศรัทธาของเราจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างคนทึ่จิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกรบตัวเนี่ยพอเราหัดภาวนาเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนะยจิตมันจะรู้มันจะตื่นมันจะเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออธรรมะนี่มันมีอะไรนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรอยู่ในตัวเองอยู่สามารถ ทำให้เราเกิดความรู้ความตื่นความเบิกบานได้อย่างง่ายงง่ายมากเลยอัศจรรย์เหลือเราพอวนาต่อไปเราแยกธาตุแยกขันเป็นเราก็จะอัศจรรย์ใจอีกทำไมธาตุขันมันแยกได้แต่เดิมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าใจเนี่ยความศรัทธานะมันจะค่อยแ ก, กล่าขึ้นไปแล้วเราก็เห็นธาตุขันมันทำงานมันเกิดดับได้เรื่อย มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์บีบคั้นอยู่นี่เออมันตรงกับที่ท่านสอนนะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเป็นอนัตตานะคําว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่เป็นสังขารด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สังขารด้วยสิ่งที่ไม่ใช่สังขารก็คือนะิพพานเราก็จะค่อยเห็นตามท่านไปเรื่อยยิ่งภาวนานะจะยิ่งมั่นใจ ว่าเรารู้เราเห็นโอ้มันเหมือนที่ท่านบอกเลยนะหลวงพ่อก็จําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจากครูบาอาจารย์มามาสอนพวกเราพวกเราภาวนาตามมาแล้วรู้สึกไหมว่าเอยิ่งภาวนานะยิ่งเหมือนที่หลวงพ่อบอกอนะเราได้พบได้เห็นได้รู้สึกเหมือนสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะึงนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเลยนะอัศจรรย์มาก ของไม่เคยรู้ก็ได้รู้นะไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไนะด้ลิ้มรสชาติที่หอมหวานของธรรมะเป็นลําดับลําดับใจก็ยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นมากขึ้นนะศรัท ธ, ธาแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแต่ศรัท ธ, ธาของปุถุชนนะไมเป็นศรัท ธ, ธาที่กล่อนแกลน ง, ง่ายนะเพราะยังไม่ได้เห็นธรรมตัวแท้ยังไม่เข้าถึงพระธรรมใจยังไม่เป็นพระสงฆ์ถนะ้าเป็นพระยาบุคคลนะ ใจเป็นพระสงฆ์แล้วอันนี้ศรัท ธ, ธาไม่คลอนแคลนแล้วเชื่อมันน่นในพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเลยโอ้ท่านต้องดีจริงๆนะไม่ใช่ด้วยการคิดอนุมานาละแต่ด้วยการเห็นด้วยตัวเองเลยว่าคำสอนของท่านเนี่ยเรามาทำตามนะจะลมลุกลุกลานมาแค่ไหนก็ตามลนะ้วอดทนทำมาเราก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ความสะอาดความสุข จากความสงบสันติของใจได้มากขึ้นมากขึ้นจะแน่นแฟ้นมากเลยว่าพระพุทธเจ้าต้องบริสุทธิ์จริงๆพระเจ้าต้องมีปัญญารจริงๆนะแล้วมาดูสิ่งที่ท่านสอนเราขนาดท่านสอนนะั้เราปฏิบัติแทบเป็นแทบตายนะล้มลุกคลุกคลานว่าจะผ่านได้ถึงการได้ธรรมะนะี่ก็ต้องสู้เอางั้นท่านเก่งจริงๆ ท่านมีการุณามากธรรมะนี่ประนีตลึกซึ้งท่านอุษาเอามาสอนคนหยาบหยาบอย่างพวกเราได้นะเร า, า, า, ากร็กไต่ตามท่านไปกระดึบกระดึ๊บไปตามท่านไปมันได้รู้ได้เห็นจริงตามท่านได้จะรู้เลยว่าการุณาของท่านใหญ่โตอย่างจะให้เราเฟปทุ่มเทนะถ่ายทอดธรรมะก็ทำได้ไม่อย่างท่านใจมันไม่เหมือนกัน เราจะรู้ว่าพูะพุทธเจ้าเนะี่ยมีพระปัญญาเลิศเลยมีความบริสุทธิ์เป็นเลิศเลยนะเทียบกับใจของเราซึ่งมันบริสุทธิ์ขึ้นมาสะอาดขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจรู้ว่าท่านมีกรุณาสูงมากเลยนะที่อุษาเอาธรรมะที่ยากเย็นแสนเข็นนะที่คนเข่าทั้งหลายเนี่ยหรือคนที่กิเลสหนาทั้งหลายเนี่ยรู้ตามไม่ได้ อุตสาห์มาสอนคนที่มีกิเลสให้รู้ตามได้ก็อดทนมากเลยเท่านสอนธรรมะนะท่านต่อสู้มากมายนะต่อสู้กับพวกเดรถีบ้างพวกหาผลประโยชน์พวกอะไรนี่ยมีทั้งนั้นท่านต้องต่อสู้เขาก็ใช้วิธีทุกวิธีทางที่จะทำลายพระพุทธศาสนาจ้างคนมาด่าท่านบ้าง ปล่อยขาวลือบ้างเะไนบ้างจ้างคนมายิงบ้างนะหาทางทุกวิธีทางทำผู้หญิงนะเอาผู้หญิงมาแกล้งมาท้องกับท่านบ้างใส่ร้ายป้ายสีทำทุกอย่างเหมือนกันโฆษณาชวนเชื่อทําทั้งนั้นท่านก็ผ่านมาได้ท่านผ่านมาด้วยความการุณานะท่านภาคเพียรอดทนต่อการกระทบกระทท่งเนะี่ยเพราะความการุณาของท่าน ถ้าท่านไม่มีความกรุณาอย่างเดียวเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะสบายเนี่ยใจเราจะยิ่งศรัทธาพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะยิ่งเราพาวนาไปกําลังอีกตัวนึงที่พวกเราต้องพักเพียรกนะ็คือบิริยะถ้าเราใจเรามีศรัทธามากขึ้นบิริยะมันก็จะมากขึ้นว่พาพักเพียรที่จะลดละกิเลส ท, ที่มีอยู่ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิด ภาคเพียนที่ทํากุศลให้เกิดนะแล้ภาคเพียนรักษากุศลที่เกิดมาแล้วอย่าให้มันเสื่อมสลายไปให้มันจเจริญเติบโตขึ้นเวลาที่เราจะภาคเพียนสู้กิเลสพัฒนากุศลนะเครื่องมือเราก็คือสติคือสมาธินะเราต้องมีสติคอยรู้เท่าทันกุศลเกิดขึ้นรู้ทันอกุศลเกิดขึ้นรู้ทัน รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิจิตเป็นกลางนี่ยิ่งเราทำความเพียรเท่าไหรนะก็คือการพัฒนาทั้งสติทั้งสมาธิให้แก่กล้าขึ้นไปกำลังของสติของสมาธิก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปอีกอกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรูท้ทันปุ๊บกิเลสดับไปเนี่ยนี่เรียกว่ามีวิริยะแล้วในขณะนั้นก็เป็นการซ้อมสติไปด้วยขณะนั้นก็เป็นการฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูไปด้วย มันทำไปด้วยกันทีเดียวต่อไปปัญญามันค่อยแก่กลากขึ้นเป็นลำดับลำดับสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยเข้าใจก็ได้เข้าใจมันสอดคล้องตรงกับคำสอนของพระ เ, เจ้าศรัทธาก็เพิ่มอีกนะเงินตัวพระหา้ากำลังทั้งห้นะศรัทธาพิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันหนุนเสริมซึ่งกันและกันไปเรื่อย นี่ัทธาของผู้ทธชนนะยังคลอนแคลนง่าย น, นี่พอเราพอนามากเข้ามากเข้าวัาานหนึ่งเป็นพระริยะกําลังของพระดิยะเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะท่านแม่อธิบายกําลังของพระริยะด้วยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญากําลังของพระริยะที่ไม่ใช่พระอรหันต์ท่านอธิบายถึงกําลังห้าเหมือนกัน อันแรกคือสัทธาแต่ศรัทธาเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่ไม่เหมือนที่พวกเราศรัทธาศรัทธาของภริยะต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือไม่มีความคลอนแคลนอีกแล้วเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่ทําให้ไม่คลอนแคลนในความเคารพเรื่มใส่พระพุทธเจ้านะรู้ว่าท่านมีจริงท่านสอนจริงท่านสะอาดจริงท่านเก่งจริงนะท่านเมตตากรุณาจริงๆใจเนี่ยซาบซึ้งมากเลยนะ ฝากเป็นฝักตายกับท่านได้เต็มที่เลยเนะนี่ยกำลังของพระเรียกพระเศขบรุ ค, คลเศขบุคคลคือตั้งแต่โสดาสกทาคาพระอนาคาเป็นเศขบุคคลพระอราหันต์เรื่องอาเศขบุคคลเศขาหรือศิกขาหรือศิกขาหรือศกษษศึกษานะนั่นเองคนไทยใช้คําว่าศึกษาโสดาสกทาคานาคาเป็นพระที่ย้บุคคลชนิดที่ยังต้องศึกษาอีก พระหันเป็นพระระยะประเภทอเศขะคือไม่ต้องศึกษากแล้วเรียนจบแนละ้วกำลังของพระเศขะคือคนที่ยังต้องศึกษาอยู่เนี่ยจะมีศรัทธาแน่นแฟรในพระพุทธเจ้านะตัวนี้เต็มร้อยเลยจะมีหิริเห็นหิริภละนะเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมคำนี้เราได้ยินแต่ศรัทธาภละวิริยระภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละ เป็นพระโสดาบันนะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมีหิริพละมีกําลังของความละอายใจเวลาที่จะทําชั่วจะพูดชั่วจะคิดชั่วเนี่ยจะละอายใจแล้วความละอายเนี่ยจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะตามกําลังเราะฉะนั้นศีลท่านจะบริสุทธิ์เพราะท่านมีหิริีกําลังของหริริแรงกล้าท่านมีกําลังของอดตปะแรงกล้านะ จะไม่ไม่มีความอะไรท่านจะรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าทำชั่วเมื่อไหร่นะใจจะเร่าร้อนขึ้นมาแค่คิดผิดคิดชั่วนิดเดียวนะใจก็เราร้อนนะเห็นโทษเห็นทุกข์ของการทำชั่วเลยอย่างพวกเราเวลาทำความผิดนะหรือเราโกหกบางคนไม่รู้สึกร่าร้อนเลยนะ เฉยๆก็หกได้สนุกดีอย่างเงี้ยนะไม่ละอายใจด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกจะต้องเล่าร้อนใจถ้าเป็นอริยะบุคคลนะโสดาสกตาคาผ่านาคาเนี่ยแค่ไปคิดอะไรไม่ดีนิดเดียวนะชักจะร้อนใจตัวเองนะเดือดร้อนรู้เ ร, ร, ร, รื่มานนำทุกข์มาให้จริงพูดไม่ดีก็นำทุกข์มาให้คิดไม่ดีก็นำทุกข์มาให้ทำไม่ดีก็นำทุกข์มาให้อันนี้เรียกว่าอตุตรปะภาระนะ จะกลัวกลัวผลของการทำไม่ดีการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีอย่าว่าแต่ทำเลแค่คิดก็ไม่ได้นะถ้าคิดไม่ดีปุ๊บใจจะร้อนร้อนขึ้นมาในคิดสมมติว่าวันวันหนึ่งก็คิดขึ้นมานะโอ้ยพระเวสสันดรจะแน่สคแค่ไหนคนไม่มีความรับผิดชอบคิดแค่เนี้ยนะใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยนะไม่ได้เลยเดียวก็ไม่ได้เลยคิดไม่ดีนิดเดียวก็ไม่ได้ การอาศัยฮิริภรรยอุตปาภรระเนี่ยทำให้ศีลของท่านบริบูรณ์ขึ้นมานะแล้วท่านก็มีวิริยะภระยนาะตัวที่สี่ของท่านวิริยระภนระคือจะนขนไกวจะไม่ยอมอยู่เฉยนะจะนขนวายไปอีกมันจะมีความรู้สึกว่างานของเรายังไม่เสร็จมีกิจที่ต้องทำอีกจะมีความรู้สึกอยู่เฉยไม่ได้ จะต้องพากเพียนปฏิบัติถ้าโสดาก็เฉยได้มากหน่อยนะอสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะจะรู้สึกเฉยไม่ได้แล้วงานยังมีอยู่นะยกเวน้นยกเวน้นพระนาาักขาบางองค์ซึ่งไม่ได้ฟังธรรมให้ดีนะทา ไ, ไปติดความติดตัวรู้อยู่เข้ามาถึงจิตแล้วรักษาจิตไว้โดดเด่นเด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนท่านคิดว่าสุดทางแล้ว อันนี้ท่านจะไม่มีวิริยะต่อแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่ายังมีทางอีกไม่รู้ว่ายังมีงานต้องทำอีกนะแต่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนนะว่าขั้นสุดท้ายมันต้องปล่อยวางจิตได้นะนะี่ยังยึดถือตัวรู้อยู่ใช้ไม่ได้นะใจไม่จะยอมนิ่งเฉยไม่ได้นะนะจะไม่ไปค้างไปคาอยู่ในขั้นภาณคานะจะดิ้นรนหาทางออกก็นะมีความเพียรมากนะพยายามพยายามจนกระทั่ง วันหนึ่งนะมันนั่งนึกว่าอยากจะเร่งความเพียรอีกแต่ไม่รู้จะเร่งยังไงเพร garlic, าะว่ามันถึงจุดที่สติก็อัตโนมัติสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาก็อัตโนมัติไปหมดแล้วไม่รู้จะเร่งกว่านี้ได้ไงเนื้อใจยังอยากเร่งความเพียรอีกนะแต่ว่าไม่มีปัญญาจะเร่งแนละ้วเพราะไม่มีช่องว่างอะไรจะเร่งคล้ายๆมีรถยนต์นะเหยียบจนมิดขันเร่งแล้วไม่รู้จะเร่งยังไงอีกแล้วนะเนื้อใจมันจะมีความ ดิ้นลนขนไกวนะที่จะออกจากกองทุกข์ให้ได้กําลังของเราไม่มีขนาดนั้นหรอกนะเราเราแค่กําลังว่าจะให้ภาวนาให้ได้ทุกวันอย่างกับพร่องกับแกลงหเห็นไหมของพระโสดาสกทาคาผ้านาคนาะที่ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วท่านอยากไปแล้วเนี่ยวิริยะของท่านเนี่ยเข้มงวดมากเลยพยายามมากเลยที่ให้พ้นไปให้ได้แล้วก็ กำลังของภริยะเศรขบุคคลตัวที่ห้าคือปัญญามันกันแต่เป็นปัญญาที่เข้าใจในสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยในพระไตรปิฎกมีตัวนี้ด้วยนะเป็นเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยเรียนเรื่องปัญญาเห็นความเกิดดับเนี่ยท่านสอนเลยว่าปัญญาของเศรขบุคคลนะจะเห็นตามเห็นความเกิดดับเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ของเราปัญญาอะไรก็ไรู้เราเถอะเถอะเไห ม, ๆๆๆๆมเรากลัวโง่แหมจะเห็นเกิดดับมันน้อยไปถูกปัญญาของภาริยะท่านยังเน้นมาที่เห็นเห็นเกิดดับเลยของเราหลวงพ่อประโมทสอนน้อยแล้วเกินให้ดูว่าตัวนี้มาสุกมาสุกก็ไปทุกมาทุกก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปหลวงพ่อประโมทสอนน้อยแล้วเกินแค่นี้มันจะพอเหรอมันจะพ้นทุกข์เหรอย ขนาดพระพุทธเจ้ า, ยาสอนนะว่าปัญญาของพระเสขบุคคลโสดาสกทาคาอนาคานะคือการเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้เกิดแล้วก็ดับไปปัญญาเขาอยู่ตรงนี้ต่างหาก้วไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่ น, นเพราะ้นที่หลวงพ่อสอนนี่นะเหลือเฟือแล้วนะเหลือเฟือแล้วกลัน่นกรองเอาธรรมะอันมากมายมหาศาลออกมาเพื่อการปฏิบัติเนื้อเหลือเฟือที่จะปฏิบัตินะ ถ้เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยทําไปได้สุดสายเลยนะทําไม่ได้จนสุดทางเลยพ้นทุกได้เลยเพราะนี่กลั่นกรองมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่ท่านสอนนะว่าพระเศคารุคคลนี่มีปัญญาเห็นความเกิดดับอยู่ปัญญาตัวอื่นไม่สําคัญเลยนะปัญญาที่เห็นความเกิดดับต่างหากสาคัญเงินปูติชนก็เหมือนกันเลยขนาด ปัญญาของพระนาคาท่านยังบอกให้เห็นเกิดดับเลยแล้วเราทำไมยังไม่เห็นเกิดดับบ้างจะดูถูกว่าการเห็นเกิดดับนี่มันตื้นไปต่ําไปน้อยไปหรือนะแปลกไม่พุทธเจ้าไม่พูดถึงภาร ะ, ะของสติและสมาธิกับพระเสขะของปุถุชนนะท่านพูดถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะแต่ของพระเสขะบุคคลนะท่านพูดถึงศรัทธานะ กิรอตตะวิริยะปัญญานะไม่ไม่พูดถึงสติสมาธินะสติสมาธิมเครื่องมืออยู่แล้วต้องทำอยู่แล้วนะทำจนเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วต้องฝึกต้องซ้อมเป็นเรื่องปกติไม่ต้องคุยลนะยิงต้องภาวนาจนถึงขั้นสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมไม่ต้องพูดแล้วว่าจะเร่งปว่านั้นยังไงนะให้ฝึกเอาเงี้พวกเรานะ ทุกวันรักษาศีลห้าไว้ก่อนก็คนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งสั้นรักษาศีลห้าได้แล้วก็ฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกัตัวนี่แหละคือการฝึกสมาธิแลฝึกสิใจให้อยู่กันเนื้อกันตัวด้วยวิธีที่ง่ายๆจิตหนีไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้จิตจะไหลไปคิดก็รู้จิตจะไหลไปเพ่ง อยู่ในท้องอยู่ในมืออยู่ในเท้าอะไรก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะฝึก อ, อย่านี้ถ้าจิตเคลื่อนแล้วรู้เนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวเป็นนะเคล็ดลับของสมาธิที่ถูกต้องคือการรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปหลวงปู่ ด, ดูก็สอนเหมือนกันนะว่าถ้าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้คิดเท่าไหร่แต่ก็อาศัยคิดเนี่ยท่านมีประโยชน์ที่3นะ คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดก็คือปล่อยให้ใจมันคิดแต่พอมันคิดแล้วเรารู้ทันว่ามันคิดนะตัวรู้จะเกิดขึ้นตัวคิดจะดับไปเนี่ยจะได้ตัวรู้หลวงพ่อเทียนก็สอนว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติรู้ทันว่าจิตคิดจะได้ต้นทางให้ได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จริงครูบาอาจารย์ก็สอนเหมือนกันนะแต่บางทีพวกเราฟังแล้วมันผ่านหู เข้าหูนี่ออกหูนี้เข้าหูนี้ออกหูนี้ไปเหรอเห็นใจไหมเห็นใจที่ไหลไหมไหลไปคิดบ้างไหลไปกัะละค้างบ้างไหลเวลาเราอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยนะใจมันไหลไปหกช่องเดี๋ยวก็ไหลไปดูเดี๋ยวก็ไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจ แต่เวลาเราทำในรูปแบบนะมันจะไม่ได้ไปใช้อายตนะไม่ใช้ไม่ได้ใช้ตาไม่ได้ใช้หูไม่ได้ใช้จมูกไม่ได้ใช้ลิ้นเหลือแต่กายกับใจเพราะฉะนั้นเวลาใจมันไหลไปไหลไปทางใจไหลไปคิดไหลไปหรือไม่ก็ไหลไปเพ่งไหลไปทางกา ย, ยส่วนใหญ่ไหลไปเพ่งเพ่งลงไปที่กายเช่นดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไหลลงไปเพ่ง ถ้าไม่ไหลลงไปเพ่งก็ไหลไปคิดนี่ไหลทางใจเนี่ใจมันจะไหลอย่างเนี้มันจะเหลือสองช่องนะมันจะดูง่ายไม่เผลอก็เพง่งถ้าเผลอแล้วเรารู้ทันจิตก็ตื่นขึ้นมาถ้าเพ่งรู้ทันนะจิตก็ค่อยถอยออกมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาท่านที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะในช่วงสิบปีเนี้ยคนที่ภาวนาแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้นับจํานวนไม่ถ้วนเลย ไม่รู้เป็นกี่เป็นหมื่นหมื่นนะหลักหมื่นนะพอไปที่ไหนก็เจอนะตามข้างถนนนี่นั่งรถผ่านเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าฟังซีดีหลวงพ่อประโมทมันไม่เหมือนคนทั่วๆไปหรอกมันชักจะไม่ใช่คนแล้วล่ะเพอนาไปแล้วไม่ใช่คนนะเพราะรู้ว่าอะไรไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาถ้าใครมาด่าเราว่าไอ้อามนุษย์ถูกไม่ใช่มนุษย์หรอกนะไม่ต้องโกรธเลย ทำไมหลังๆคนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้เยอะแยะเลยหลวงพ่อสอนง่ายๆนะรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปครูบาอาจารย์ก็สอนแต่ท่านสอนด้วยภาษาของคนรุ่นก่อนนะท่านสอนใะไคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดฟังแล้วต้องตีความหลวงพ่อก็เอาคําสอนของท่านนะมาสอนใหม่วนะ่าถ้าทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่ง ถ, ถ้าจิตไหลไปแล้วรู้ทัน จิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้มันเป็นภาษายุคนี้นะพอฟังแล้วมันรู้เรื่องคอยดูจิตที่ไหลแป๊บเดียวมันก็ตื่นแล้วเรียกว่าทำถูกหลักถ้าทำไม้ถูกหลักนะเป็นนั่งสมาธิโทนั่งยังหลับเลยแล้วจะเป็นผู้ตื่นไนดะ้ยังไงนะอีกพวกหนึ่งก็เครียดเครียดมากไม่จะเป็นผู้เบิกบานไนดะ้ยังไงใช่ไหย ถูกแค่รู้รู้ว่าจิตไหลนะมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยันเราต้องซ้อบนะให้จิตใจอยู่กับตัวเองเพอจิตใจอยู่กับตัวเราเองแล้วต่อไปเราก็ดูขันมันทํางานไปนะเห็นความเกิดดับของาธาตุของขันทั้งหลายเช่นร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นร่างกายหายใจออก ร่างกายก็เคลื่อนไหวก็ยุกกรยิกไปเรื่อยนะไม่คงที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราดูความเปลี่ยนแปลงไปเลยความสุขความทุกข์ขกนะ เ, เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเฉยเฉยเกิด ข, ขึ้นแล้วก็ดับไปจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูของจริงนะตัวจิตเองเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาแล้วก็ดับไปพิ่งไปทางหูแล้วก็ดับนะ ไปจมูกไปลิ้นไปกายไปใจทําอะไรมีถ้าเกิดแล้วก็ดับนี่แหละเรียกว่าเดินปัญญานะขนาดพระโสดาสกทาคาณาคานะั้นพูดถึงปัญญาภระนะั้นท่านยังเน้นอยู่ที่ว่าเห็นเกิดดับเลยนะส่วนพระอรหันต์นะปัญญาของพระอรหันตนะ์นั้นไม่ได้เปิดแจ้งที่เกิดดับนี่แนละ้วมันเลยไปแล้วไปแจ้งพระนิพพานนะมีปัญญาในแจ้งพระนิพพานพวกเรายังไม่แจ้งนิพพานาเรายังไม่ค่อยเห็นนะ เห็นขั้งแรกต้องเป็นโซดารนนะแล้ฝึกนะพัฒนาตัวเราเองถือศีลห้าไว้นะฝึกใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปนะดูทุกอย่างมาแล้วไปมาแล้วไปใจเราเป็นแค่คนดูนะฝึกอย่างนี้นะกำลังของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นวัาหนึ่งก็เป็นพาะริยะเป็นภาริยแล้วก็ภาวนายอย่างนี้แหละเหมือนเดิมนี้แหละ กำลังก็มากขึ้นมากขึ้นนะยันหลุดพ้นไปมีกำลังมหาศาลหลุดพ้นอ่ะไปตันข้าชเชิญ